แต่ว่าไม่เชื่อฟังคําห้ามปรามตรึกตื่นพระพุทธเจ้าจะทรงห้ามปราบตัึกตือนก็ไม่เชื่อฟังแต่ว่าไปเชื่อฟังกิเลสตัณหาต่างๆจึงได้ดินรนกัดแกงกระสับกระส่ายไปต่างๆดังที่ปรากฏเพราะฉะนั้น เมื่อมหัดปฏิบัติหันเข้ามามองดูจิตเองมาเป็นยังไงในปัจจุบันเพราะในเวลาปัจจุบันนี้ก็เห็นอะไรอะไรอยู่ได้ยินอะไรอะไรอยู่ได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลตภะอะไรอะไรอยู่ และได้คิดได้นึกถึงเรื่องอะไรอะไรอยู่ก็ดูเข้ามาว่าจิตนี้กำลังคิดอะไรแล้วจิตเป็นยังไงดูให้รู้เหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเด็กแล้วก็ปล่อยให้เด็กอยู่ข้างหน้า เด็กจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งอย่างไรก็รู้มองเห็นเด็กจะวิ่งไปทางไหนก็รู้ก็มองเห็นให้รู้แต่ความรู้จิตนี่เองก็เป็นอันนำจิตเข้ามารู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไรเมื่อเป็นการนำจิตเข้ามารู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไรดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปล่อยความยึด อยู่ในอารมณ์และในกิเลสทั้งหลายซึ่งได้เคยยึดเอาไว้และดิ้นรนไปยังไม่ลืมหูลืมตาว่าตัวเองนั้นดิ้นรนไปยังไงแต่ว่าเมื่อกลับมีสติมาดูจิต ว่าจิตตัวเองนั่นเดินรนไปยังไงคือมาดูตัวเองเหมือนอย่างพี่เลี้ยงดูเด็กที่เลี้ยงดูดังที่กล่าวนั้นก็จะเห็นจิตว่าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้รักอย่างนี้ชังอย่างโงนหลงอย่างนั้นเป็นต้น และเมื่อจิตได้ถูกดูดังนี้อันหมายความว่ากิเลสอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในจิตได้ถูกดูถูกมองดังนี้แล้วก็จะสงบตัวลงไปเองและเมื่อสงบตัวลงไปแล้วอันหมายความว่ากิเลสสงบลง อารมณ์สงบลงจิตสงบลงจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในภายในเหมือนอย่างเด็กที่พี่เลี้ยงเลี้ยงดูวิ่งไปถนนวิ่งไปทางนี้และเมื่อเมื่อพี่เลี้ยงดูอยู่ดังนี้ในที่สุดเด็กนั้นเหนื่อยเข้าก็นั่งสงบ ที่แรกวิ่งเหนื่อยเข้ากว่าเดินเหนื่อยเข้ากว่าหยุดยืนเหนื่อยเข้าคนนั่งเหนื่อยเข้าคนนอนก็เป็นอนันหมดเรื่องกันไปอารมณ์ก็สงบกิเลสก็สงบจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในภายในหัดปฏิบัติดูจิตให้ ค่อยๆสงบเข้ามาตั้งมันอยู่ในภายในดังนี้ก็เป็นสมาธิได้เป็นอุปจารสมาธิก็ได้เป็นอปปนาสมาธิก็ได้ดังนี้เป็นการปฏิบัติในจิตตาอนุปัสนาสติปทานได้โดยตรงประการหนึ่งต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป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 พระภูมิประภาคพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมท้งกระทรรมและงเป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นภูรู้ผู้เห็นยิงแจ้งในธรรมะทั้งปวง ได้ทรงแสดงสั่งสอนเพื่อให้บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะที่ทรงสั่งสอนพ้นจากกิเลสและกองทุกข์แต่ทั้งนี้ทุกคนก็ต้องปฏิบัติ ด้วยตนเองเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอาขาตารโรตถาะตาพระตถาคตทั้งหลายเป็นผูบอกท่านทั้งหลาย ต้องปฏิบัติเองจึงจะหลุดพ้นได้แต่ว่าในการปฏิบัตินั้นในเบื้องตน้นก็จะต้อง ทำความรู้สึกสำนึกรับว่าปฏิบัติเพื่อผลตามที่ทรงสั่งสอนไม่ใช่เพื่อผลตามที่ตนกำหนดเอาเอง กล่าวอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัตินั้นต้องมิให้มีโลกเป็นใหญ่อันเรียกว่าโลกาทิปไตยมิให้ตนเป็นใหญ่อันเรียกว่าอัตตาทิปไตย ต้องให้มีธรรมะเป็นใหญ่อันเรียกว่าธรรมมาทิปะไตดังนี้จึงจะปฏิบัติให้ได้รับผลเป็นความพ้นกิเลสและกองทุกไปได้โดยลำดับ แต่ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเป็นอันมากคิดว่ามุ่งธรรมะเป็นใหญ่แต่ว่าการปฏิบัตินั้นแม้เป็นการปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแต่ว่า ยังปฏิบัติด้วยกิเลสคือมีตัณหาความอยากความต้องการในผลของการปฏิบัตินั้นไม่ใช่มุ่งสิ้นกิเลสและกองทุกโดยตรง ฉะนั้นแม้จะเป็นสุปฏิบัติปฏิบัติดีก็ต้องให้เป็นอุทุปฏิปติปฏิบัติตรงตรงต่อความมุ่งหมายแห่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยและเมื่อปฏิบัติตรงจึงจะเป็นยายะปฏิบัติปฏิบัติ ที่จะให้บรรลุถึงผลอันเป็นความถูกต้องขึ้นไปได้ตามภูมิตามชัน้นเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นสามีจิตปฏิบัติปฏิบัติชอบยิง่งปฏิบัติเหมาะอันเป็นการปฏิบัติ ที่สแสดงไว้ในประสังะ ค, คุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคือหมู่แห่งสาวกคู่เป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจา้าฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติที่บรรลุความเป็นอริยบุคคล ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็ต้องเป็นภูที่คือวสุปฏิปันนะปฏิบัติดีแล้วก็คือปฏิบัติศีลให้เป็นศีลปฏิบัติสมาธิให้เป็นสมาธิปฏิบัติปัญญาให้เป็นปัญญา การปฏิบัตินั่นก็เป็นอันว่าก็ถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องให้เป็นอุชุปฏิปันละปฏิบัติตรงแล้วด้วยคือมีความมุ่งหมายตรงต่อความสิ้นกิเลสและกองทุก หรือตามที่ได้ตรัสแสดงถึงความมุ่งหมายของการปฏิบัติในสติปัฏฐานไว้ว่าสัตตานังมิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโซกะปริเดวานังสมติกมายะเพื่อล่วง โความปริเทวะทั้งหลายลุคโดมนัสส่านางอัทังไกมายะเพื่อดับทุกโทมนัตทั้งหลายญายัสะอธิกมายะเพื่อบรรลุธรรมะที่พึงบรรลุอันถูกต้องไปตามภูมิชัณฑ และสามีจิปฏิปัะปฏิบัติที่ชอบเหมาะและก็ต้องปฏิบัติแล้วคือสำเร็จละสัญ ญ, ญาตได้ตั้งแต่สามขึ้นไปยังนับเข้าพวกเป็นอริยสง แต่ในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่แม้จะยังไม่นับเข้าในอา די ยสงก็นับเข้าในการยานชนเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ที่จะเป็นกันลยาณชนได้ก็จะต้องประกอบด้วยหลักทั้งสี่ประการนี้คือดีตรงและถูกต้องคือบรรลุความถูกต้องขึ้นไปเป็นชั้นชั้นและชอบเหมาะ ตามที่แสดงไว้ในปรภาษาคุณเพราะฉะนั้นจึงต้องมันพิจารณาให้รู้จักตนเองและในการที่จิตจะพิจารณาให้รู้จักตนเองนั้นก็จะต้องพิจารณาดูที่จิตใจนี้เองเป็นประการสําคัญ ว่าใจดำเนินไปในทางไหนใจดําเนินไปในทางก่อกิเลสและกองทุกข์หรือดําเนินไปในทางดับกิเลสและกองทุกข์ถ้าดําเนินไปในทางก่อกิเลสและกองทุกข์แล้วถึงคิดว่าจะปฏิบัติ ในศีลในสมาธิอย่างไรก็ยากที่จะดับกิเลสและกองทุกได้เหมือนอย่างหันหน้าเดินเข้าไปสู่ไฟก็จะต้องร้อนเข้าร้อนเข้าจะพบความเย็นนั่นก็จะต้องเดินหันหน้าออกมาจากไฟหันหลังให้ไฟ ให้ห่างไฟออกไปจึงจะพบความเย็นขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาดูที่จิตใจของตนเนี่ยปรับปรุงกัดปฏิบัติให้มุ่งตรงต่อผลที่ต้องการให้เป็นอุชุปฏิปนันนปฏิให้เป็นอุชุปติัติปฏิบัติตรง ในการปฏิบัติเพื่อที่จะนำจิตให้ตรงดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้ทุกข้อทุกบทและบทที่มาปฏิบัติกันอยู่เป็นอันมากก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่ ตั้งใจปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ที่ตนเองเพราะทุกคนก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเป็นไปอยู่เป็นประจำ รวมกันเข้าเป็นอัตภาพอันนี้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้หยิบขึ้นมาพิจารณาซึ่งอัตภาพอันนี้ โดยเป็นสติปฐานสี่บังโดยเป็นขันห้าบังโดยเป็นนา ม, มารูปบังเป็นต้นตามแต่จะเหมาะต่อปริยายคือทางแห่งธรรมที่ทรงแสดงแต่ก็รวมอยู่ในก้อนอัตภาพก้อนกอันใจอันนี้ ไม่นอกไปจากก้อนกายและใจอันนี้และก้อนกายใจอันนี้หรือก้อนเวทก้อนกายก้อนเวทนาก้อนจิตก้อนธรรมอันนี้ก็เป็นไปอยู่ดาเนินไปอยู่เป็นตัวชีวิต อยู่ทุกขณะฉะนั้นจะจับข้อไหนขึ้นมาพิจารณาแต่ละข้อก็ได้จะพิจารณาให้เนื่องกันไปโดยลำดับก็ได้และในการที่ชื่อว่า ได้บรรลุถึงสติปัฐานตั้งสติจนสติตั้งขึ้นมาได้นั้นเมื่อจับขึ้นมาคอใดข้อหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าได้จับขึ้นมาทั้งหมดทุกข้อเพราะยุมรวมอยู่ในที่อันเดียวกันหรือในก้อนอันเดียวกัน ในเบื้องต้นจะจับข้อไหนขึ้นมาก็สุดแต่ปัจจุบันธรรมในขณะนั้นและสุดแต่วิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั้นก็เช่นผู้ปฏิบัติต้องการที่จะ ให้ดำเนินขึ้นไปโดยลำดับก็จับพิจารณากายเช่นกำหนดลมให้ใจเข้าออกก็ยอมจะได้สติในกายและเมื่อได้สติในกายเวทนา อันเป็นผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏก็จับเวทนาขึ้นมาเมื่อจับเวทนาขึ้นมาพิจารณาเวทนาสงบจิตก็จะปรากฏก็จับจิตขึ้นมาเมื่อจับจิตขึ้นมาก็จะมองเห็นธรรมะในจิตก็จับธรรมะในจิตขึ้นมาพิจารณาต่อไป เวทนาจิตและธรรมะที่ปรากฏขึ้นมาโดยลำดับนี้ก็เป็นตัวสติปัฏฐานที่ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับนั่นเองวิธีนี้ก็ดังที่ตรัสสอนไว้ในวดที่เรียกว่าอาณาปานสติส6หชั้น อีกอย่างหนึ่งจับพิจารณาที่เป็นปัจจุบันธรรมอันที่จริงนั่นกายเวทนาจิตธรรมของบุคคลก็เป็นปัจจุบันธรรมอยู่ทุกข้อคนในบัดนี้ก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเป็นไปอยู่ เป็นปัจจุบันแต่ว่าแม้จะเป็นปัจจุบันธรรมทุกข้อก็ตามในบางคราวข้อใดข้อหนึ่งก็ปรากฏชัดสำหรับข้อกายคือลมหายใจเข้าออกนั้นย้ำชัดอยู่เสมอ กำหนดเมื่อไรก็จะพบเมื่อนั้นเราต้องหายใจอยู่เสมอและการ ใ, หในใหายใจนั้นก็ปรากฏอยู่ที่ร่างกายที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงปรากฏอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการง่ายที่ทุกคนจะจับอารมณหายใจขึ้นมา ตั้งตนส่วนเวทนานั้นถ้าร่างกายเป็นปกติจิตใจเป็นปกติซึ่งทำให้เวทนาเองนั้นก็เป็นปกติ เหมือนอย่างเป็นเวทนาจะเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขคือทุกคนก็ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขอะไรไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์อะไรก็ไม่ควรจะนึกถึงเวทนาเหมือนอย่างมีทองถ้าไม่ปวดก็ไม่ได้นึกว่ามีท้องเหมือนท้องไม่มี ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้ใจเข้าให้ใจออกจยู่เป็นปกติอยู่ก็ไม่รู้สึกก็เหมือนอย่างไม่ต้องหายใจไม่ได้นึกงลมหายใจแต่ครั้นว่าเป็นหวัดลมหายใจขัดเข้าจึงจะรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าเมื่อไปได้อากาศที่ดีๆมีความสดชื่น จึงจะรู้สึกว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นเวทนาจึงจะปรากฏเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ชัดขึ้นมาหรือบางทีจิตใจเองรับอารมณ์เป็นปกติก็รู้สึกเป็นปกติเวทนาก็เหมือนอย่างเป็นกลาง ก็ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรแต่บางคราวประสบอารมณ์แรงทางสุขก็ทําให้ใจสบายหรือว่าประสบอารมณ์แรงทางทุกข์ก็ทําให้ใจเป็นทุกข์มีความโศกมีความขับแค้นต่างๆดังนี้เวทนาก็ปรากฏชัดเพราะฉะนั้น เมื่อเวทนาปรากฏชัดอย่าเป็นสุขเวทนาปรากฏชัดมากไปก็ต้องกาหนดระงับเสียหรือว่าเป็นทุกขเวทนาปรากฏชัดมากไปก็ต้องพิจารณาระงับเสียก็จับเวทนาขึ้นมาก็เนื่องไปถึงจิตเองอีกนั่นเองจิตเอง เป็นทูเป็นตัวที่กินสุขกินทุกเป็นตัวที่รับสุขรับทุกจึงต้องกำหนดดูจิตใจที่เป็นไปอย่างไรเพราะเหตุแห่งเวทนานั้นก็เพราะว่าเวทนานี้เองเป็นตัวปรุงให้บังเกิดเป็นกิเลสข้อใดข้อหนึ่งขึ้นได้ ทุกเวทนาก็ปรุงให้เกิดราคะขึ้นได้ทุกเวทนาก็เกิดปรุงให้เกิดโทสะขึ้นได้เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรุงให้เกิดโมหะขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อกาหนดดูตัวเวทนาก็ย่อมจะพบจิตเองที่เป็นตัวกินเวทนานี้ เป็นอย่างไรก็จับจิตขึ้นมากาหนดพิจารณาดูถ้าจิตแรงไปด้วยราคะมากนักก็ต้องระงับเสียแรงไปด้วยโทสะมากนักก็ต้องระงับเสียแรงไปด้วยโมหะมากนักก็ต้องระงับเสียก็เป็นอนันวาปฏิบัติกาหนดดูจิตพื่อติดจิระงับราคะโทสะโมหะให้สงบ และเมื่อกําหนดดูจิตดังนี้ก็จะต้องพบธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตนี้เป็นอกุศลแธรรมก็มีเป็นกุศลธรรมก็มีเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆ ก, ก็มี สำหรับที่เป็นอกุศลธรรมนั้นก็ได้แก่ราคะโทสะโมหะหรือโลภกรดหลงดังกล่าวแล้วนั่นเองซึ่งบางคราวก็เกิดขึ้นแรงราคะแรงโลภะแรงโทสะแรงโมหะแรง เมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาดูเพื่อที่จะระงับเสียในบาง